มันซื้อของพวกหลวงพี่ทํากันไม่ใช่เลยถ้าไม่ไปอยู่กับฉันนะ เ, ออเขามาขอถ่ายไปทั้งชุดเลยไม่ใช่ขอถ่ายไปใช้นะขอถ่ายเป็นลอกผมไม่ชอบวิธีนี้ลสลหรก็ว่าเ อ, อ, เ, อ, อเป็นนักบา่านไม่น่าใช้วิธีอย่างนี้กันบอกเลยก็ได้ใช่ไหมขอเลยได้ครับอย่างนี้บางวิญขอได้เลยเ อ, อผมเอาไปผมจะไปดัดแปลงอะไรอะไ ร, ะไรเปลี่ยนแปลงทำของผมนะครับว่าไปเลย จะคุณศรีใช้มาเลยใช้มายืมใช้มายืมในถ่ายจะคุณศรีก็ไม่ถูกกสมบองจะคุณลาดอะเขาไม่ลงกันเขาเคยอยู่ด้วยกันแหละสมบองก็เคยอยู่วัดชนะแล้วก็ไม่ทําไมไม่รู้ไม่ลงกันผมว่าไม่รู้ไมาเหตุผลเหมือนกันแล้วเขาไม่ลงกันจะคุณศรีเขาก็เลยนึกว่าผมเป็นเพื่อนสมบองเาก็เลยไม่ถูกกับผมด้วยแต่ผมไม่รู้ว่าเขาไม่ถูกกันเรื่องอะไรเดี๋ยวนี้ผมก็ยังไม่รู้อยู่สมบองไม่เคยพูดถอะไรฟัง เจ้าคุณสีก็ไม่เคยพูดอะไรผมบังแด่เพียงเดียร์ผมเห็นแปลกๆไปเท่านั้นเองใจไม่ยืนไป่หลอกมาถ่ายสารไปทั้งชุดเลยชุดที่อธิบายทั้งแปลทั้งอธิบายหมดตอนเป็นตอนเป็นเล่มชีดแล้ ว, ลวก็เป็นตอนเป็นเล่มที่เราเนียวกับกับชีดที่ที่เขียนตอนผมอ่านคํานำ น, ำนี่ผมยกย่องคนเรียนมผมว่าโอ้ท่านมหาท่านก็เกียรติยมเนาะแล้วก็ ปทศเก้าเกียรตินิยมงพรว่าเออเรียนปทศงสูงมาเรียนอย่างนี้เขาบันทึกได้ละเอียดดีผมว่างเี้ยผมก็ก็ยกย่องไปนู้นไปเชิญชมอยู่ผมไม่รู้ว่สมรักมาบอกเจอเจอกับสมรักตอนแกกลับมาขราก่อนนู้นมาบอกสมปองพอดีมาเจอกับผมลงพี่ลงพี่รู้แบบหนังสือลงพี่ใกล้จะออกนะหนังสือไหนวะมาที่หพี่ทําเงินอ้าก็ยังไม่มีทุนจะออกได้ไงอ้าวคนอื่นเขาทาแดนแล้ว คุณนารักคุณนารักรู้ว่าเอ๊ะทำยันอย่างนี้ไม่เคยดีเท่าไหร่ไม่ใครนับถือวิธีนี้เพราะบรรพบุรุษหรือบราณอาจารย์ไม่เคยใช้วิธีนี้กันไม่ใช่กันวิธีนี้ไม่ไม่เคยมีตัวอย่างมาครับในศาสนาไม่ใช่กันอาจารย์อาจารย์ทำโอกระถือมากไลยอย่างนี้ไม่ไม่เป็นบัณฑิตไม่ไม่ดีไม่ใช่บอกตรงๆเลยไม่มีใครหวงอ่ะใช่ไหมครับ อยากจะให้เผยแพร่ด้วยแต่ใช้วิธีนี้ไม่ค่ยดีคุณนรักแกยังแกถึงอยากให้มันรีบๆออกมาเลยไง <ide> จะได้รู้ว่าของใครออกมาก่อน <g ül> จะได้รู้ไปเลยว่าใครใครใครทาออกมาคติอยา่าคณสีคติว่าอย่างของเราทำอะมันไม่มีกำลังหรอกกี่สิบปีกี่ชาติถึงจะไม่มีกำลังทำถึงจะพิมพ์ไดออ้ไม่มีกำลังเงินไม่มีกองทุนไม่มีอะไรเขาก็จะทาออกมา อย่างอย่างดูนั่นไงอะไรทารถวัานสังนะหะอะไรอานี้ก น, นั่นตะบุญทำออกมาได้เยอะเหมือนกันแล้วแกไปพูดว่าให้น่าละน่าละอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ้าวทำให้เล้วหน่อยสิเดี๋ยวนาละน่าล ะ, าล ะ, าละอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตะบุญเลิกเลยทําไม่ได้รับรับครึ่งกว่ากว่าที่หลานแกเลยมาจ้างอะไอะวิชานน พิชานนท์สาน้อยนะั่นทําต่อหนังสือมันก็เลยออกมาว่าแกทํากับเสรีกับพิชานนท์มันก็เลยออกมาในรูปนั้นแกความจริงแกไม่เข้าใจพวกที่ทมโอ้ท่าแกเข้าใจนะแกเข้าใจใช้นะผมราะว่าหลายองค์ร่วมงานแกเขาใครก็อยากได้หนังสือออกมาครับทุกๆุกองก็อยากมีทํามีคนนําแล้วก็อยากจะช่วยอะครับอยากจะให้มันมีเรื่มนี้ออกมาเรื่มนู้นออกมาเลื่มนี้ออกมา ที่กใช้มันใช้ในระบบคล้ายๆคูๆหน่อยพอพอใครรับปากทําแล้วนี่ใช่พอใครรับปากทําแล้วพอช้าไปหน่อยก็อ๋อเร็วหน่อยสิเดี๋ยวหนาา้าร้านเท่านั้นเท่านี้เดี๋ยวตัดราคาอะไรไปโน่นเลยก็เลิกกันไปอย่างเนี้ยเลิกกันไปเลยเมื่อก่อนนี้คุณนารักษ์ก็ช่วยอยู่เพราะขนานุกรมพระา้าปิ่กเล่มใหญ่ๆก็ช่วยแต่ช่วยในชุดเดียวเล่มแหลกก็เลยเลิกเหมือนกันอาจารย์นันทาก็เล่มแหลกเลิกเกองกัน เรื่แรกอาจารย์นันทธรรมออกมาตอนนั้นเจ้าคุณสีแกไม่มีความสามารถเลยแกมาได้ความรู้เพราะอย่างนี้เพราะทำพจนานุกมพระไตรปิฎกนี่เยอะเลยรู้รู้วิธีจากอาจารย์นั้นฮ์รู้วิธีดูบาลีรู้วิธีอะไรอะ ไ, ร, อะ ไ, ร, อะไ ร, รู้วิธีการพาลนาของอาารรถกถาดีกรู้วิธีจากอาจารย์นั้นท์เยอะเลยเพราะทํากันทุกวันแก บ, บอกแกเสียเวลาไปทำปริญญาเอกมาเป็นตั้งแต่เริ่มเรียนชั้นเล็กไปถึงปริญญาเอกใช้เวลาสิบปี เสียเวลามากไงถ้าแกรู้อย่างนี้ก็ไปเรียนพระมาตั้งแต่หนุ่มๆแล้วถ้าแกรู้ว่าในพระมามีอย่างนี้ก็ไปเรียนมาแต่หนุ่มๆแล้วแกไปทํำปริญญาเอกมารวมแล้วทั้งหมดสิบปีสิบปีไม่ใช่อยู่อย่างเดียวเย็นมาก็ถือตะก้าจ่ายตลาดซืหมูซื้อผักซื้ออะไรข้าครับอยู่อินเดียอ๋ออินเดียอ้าวพอกลางคืนก็ผัดเผิดผัดทําอะไรไว้เช้ามากระชันกัน เย็นมากระจายตลาดเพราะตลาดมีตอนเย็นเขามรรลุยกันนะครับไม่มีตลาดไอ้เนี <c oughs> ้ยเขาแขกเขาก็ชาวเขาไม่ได้กินข้าวกินแล้วก็ทำอย่างเงี้ยห้อหยตะการกันไปแล้วก็เอาไปวันนี้เวปคนนี้ไปซื้อคนนี้ทําอะไรกันอย่างเงี้ยอยู่กันสามสี่องค์พระอบัษรยังลืมอ่ะครับพุทธทางสรานังกัญชามีลืมอ่ะครับขนาดานั้น <c oughs> ไปเรียนกันลืมเลยครับไม่เคยสวดไม่เคยใช้ ไม่เคยเลยเลยกลับมาเมืองไทยสัพพิตาปฏิโยอะไรวะใครใครสัพาิตาวะลืมครับลืมเลยแกบอกโอ้ยแกบอกเสียเวลาเยอะมันได้เขียนนิยมมันได้ความนิยมจากคนก็นจริงแต่ข้างในมันเรารู้ไม่มีอะไรมันได้มาจริงแต่มันรู้เองรู้ในตัวเองว่าพอคนนู้ยถามสมมติไปถามเอาไปถามถามธรรมะอะไรสักหน่อยมัน มันร้อนวูบวาวูบ ว, วาถามมินายซะหน่อยพระลูกติดไปถามมินายซะหน่อยมันบูบวาบูบ ว, วาอะไอย่างนี้ครับไม่ใช่ไม่เคยเรียนผ่านเรียนผ่านไปทั้งหมดนะครับมีน้องมินายก็เรียนผ่านไปแต่มันบูบวาไปหมดขนาดจบป .9 แล้วนะครับวูบวาไปหมดนะดอนนี้เป็นเจ้าคุณลาดแนละ้วคุณลาดครับเจ้าคุณลาดปริยัตเมทีมใช่ปะ่ะเออปริยัตโมลินวชชนะชนะขนาดสิบเอ็ด เ็เ้าคสิบเ็ด้วยความคิดกกดีครับอยากให้มีหนังสืออัริยอยากให้มีนีกาอยากให้ทำคัมภีร์ออกมาให้สมูนตั้งให้เป็นการศึกษากันอย่างเป็นระบบเป็นอะไรอย่างนี้ความคิดก็ดีแต่วิธีดำเนินงานของแกบางทีเกี่ยวกับการปกครองคนหรือวิธีใช้คนยังยังไม่ค่อยดีคือบางครั้ง บางครั้งต้องดูคนนะคนกลุ่มนี้เราใช้อํานาจเงินไปอนันก็เข้าไม่ได้ถ้าคราวาชุดนี้เราต้องให้อย่างนี้ถ้าถ้าแกรู้วิธีอย่างนี้ก็จะดีอย่างพวกเสรีเเขาเป็นคราวาเขาก็ต้องจําเป็นต้องการเงินแกกระตรวจหนังสือหน้าละยี่สิบบาทแค่ตรวจครับปริวัติหน้าละสิบาทน้องสิบหรือสิบ้าปริวัติทำไมถูกกระตรวจครับอ๋อตรวจนี่มันต้องใช้คนมีความสามารถนี่ใช่ไหมต้องใช้ความรู้นี่เกิดไอ้คนธรหน้าตรวจไอ้รู้ได้ไงไอ้ตรงนี้ผิด รู้ได้ไงว่าถูกรู้ได้ไงว่าผิดเห็นสงสัยต้องไปค้นบางทีสามเดียวค้นกันเป็นเดือนใช่ไหมห okay. าอเออ เ, เอออย่างเนี้ยะมันไม่แพงเลยไงก็ต้องแพงต้องแพงอย่างของอาจารย์พรเนี่ยทําทำไอเลมนี้ออกมาเนี่ยแกตั้งจ้างคนตรวจนี่ครับตั้งจ้างตรวจเพราะฉะนั้นคนตรวจก็สำคัญคนตรวจก็สําคัญต้องมีความรู้มีความสามารถอ่านรู้อ่านแล้วรู้ว่าผิดด้วย ผิดยังไงก็ต้องไปหามาด้วยหามาแล้วก็มาเข้าที่ประชุมในโต๊ะแล้วก็ต้องชี้แจงเขาว่านี่ผิดผิดยังไงนี่นี่นี่นี่นี่นนี่นี่นนอ่าลงมติยอมอ่าผิดแก้แก้ตามอย่างนี้ถูกถูกยังไงอีกต้องอธิบายในโต๊ะให้ฟังได้ใช่ไหมครับมันถึงจะผ่านอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนตรวจก็ต้องมีความรู้มีความสามารถแล้วก็ถ้าเป็นฆราวาสจึงแพงครับแพงพวกจะริญดานนี้พวกเจริญอ่ะ จะรุนก็อาศัยเนี่ยครับผลงานของการอยู่เป็นผ้าเป็นเนเนี่ยออกไปหากินอยู่ทุกวันนี่นนนเจรีอย่างนี้ลุงอรุณอย่างนี้ไอเวอร์งี้สมควรสมควรลุกสิทธิผมแหละไอเวอร์ไปทำงานศาสนาอยู่ทำอยู่อย่างเนี้ยครับอยู่ลงพิลมอยางเงี้ย <ใน S 2> คนไหนมีความรู้ก็ตรวจบ้างเอาถ้างานพิเศษกินกันเดือนแล้วครับแต่งานพิเศษใครจะรับจ้างตรวจอีกก็เป็นหน้าไปเอาไปทำที่บ้านใครจะจรับจ้างปริวัต จากพม่ากออกมาก็เป็นหน้าไปอีกอคิดเป็นหน้าคือขยันก็ได้มาถ้าวันเดือนไหนขยันขยันเนี่ยเราก็ยังไปสอนอีกยังยังจะรู้นี่วันอาทิตย์ไปสอนอาทิตย์พูดสอนที่ธรรมกายมัง้งแล้วก็แล้วก็ยังปริวัติหนังสือให้ไอตัวหนังสือเจ้าคุณสีปริวัติหนังสือให้ให้ให้กับไอมูลนิธิของอาจารย์พรกินเงินเดือนลงทีมอาจารย์พรคือหลายอย่างเลยถ้าขยันขยัน เลิกงานแล้วกลับมาแล้วยังทํางานอยู่บ้านนะไม่ไปเที่ยวไปเตี้ยเดือนนึงก็เจ็ดแปดพันบางทีถ้าขยันเลยอาจได้เป็นหมื่นก็ได้แต่มันไม่ถึงขยันถึงขนาดนั้นนะคนคาราะเย็นมาโอ้กูทํางานมาเหนื่อยไว้หลายชั่วโมงอะอย่างมันดีอย่างที่ว่าเราเรียนมันคุกคีอยู่กับหนังสือเออมันคุกคีอยู่แต่อัจฉริยะดีกาบาลีคุกคีอยู่แต่อย่างนี้เลยครับไม่ได้ไปอ่านหนังสืออื่นไม่เคยมีเวลาอ่านหนังสือไอ้ว่ามันเรียนรู้วิทธยที่สุดมือจะได้ มันก็ยังไปไปอยู่โรงพิมพ์ก็ได้แล้วเขาเออเขาให้มันตรวจมันอ่านออกหมดพม่าอ่านได้ขอมอ่านได้ล้านนาอ่านได้อประวัติอันไหนก็ได้อ่าประวัติมาอันไหนก็ได้แล้วก็ไปอยู <tem> <robotic> ่เขาก็ฝึกคอมพิวเตอร์เขาให้ฝึกฟรีพอฝึกฟรีเอาคีคีเข้าไปก็ได้พอประวัติไม่ต้องมาเขียนใช่ป่ะคีลงเลยดูดูพม่าคีภาษาไทยเข้าไปเลยอย่างนี้ดูขอมคีออกมาเป็นไทยเลยดูล้านนาออกมาเป็นไทยเลยอย่างนี้มันก็ได้ได้เป็นหน้าไปเหมือนกันอีก แอร์ทำกันเร็วอีกไม่ต้องไปเขียนก่อนนะอย่างเงี้ยมันก็อาศัยความรู้นี่แอร์ออกไปหากินะนั้นนั้นเอเอ เ, อ เ, อเอถ้าจะออกไปหากินทางคาวาตนะครับไม่ต้องไปเรียนอาชีพอื่นเนอะกเรียนมาลีเนี่ครับออกไปประเทศไทยยังหา ก, กินได้อีกประมาณสี่ห้าสิบปีครับถ้าอยากจะไปคารวัตเด็ก <laughs> ที่ต้มใช้จะไปยังไงนะเรียนจำยเข้ากับมาตฐานไง <laughs> ตอนนี้เอา แต่เห็นออกมาสอนเห็นท่านเทอดมาสอนวันละสองชั่วโมงวันละวันละเห็นนาจันทร์ปนีให้อนุญาตให้ออกมาสองชั่วโมงถ้าออกมาเข้าไปเอาเข้าเข้าไปก็ไปเตรียมการสอนไงนั่งไม่ได้ไม่ได้รู้สึกลุ่มนางเตรียมการสอนอย่างนี้ละเอียดกว่าัจะเตรียมการสอนอย่างนี้ละเอียดดีอ้าว ในห้องครับที่ตําชายแกไปหมดมัง้งไม่เห็นมีนะโอเคคงไว้เตรียมการสอนไว้อยู่ก่อนแล้วมัง้งก็มีจดหมายจากลุงพี่นิโรธลงมาหาตอนท่านขึ้นไปเตรียมสอบตีโคราชเมื่อวานนี้เราถึงเมื่อวานนี้เราจบไอไอไ อ, อปรุระโตตรงนั้นนะครับใช่ไหมครับเกี่ยวกับถือเสนนาสนะอะไรอะไรผาจำนำมันสาอะไ ร, ร, อ, ะไรอย่างนั้นตรงนั้นนะครับ จบที่นั่นเขาบอกว่าถ้าถ้ า, ถ, าถ้าถ้าถึงให้ถ้าปริวาสิกาภิสษุนนี้ต้องยินดีพข้อต่อมาต้องยินดีตามที่สงจะจัดให้คือที่เขาเลือกเหลือแล้วนะครับตรงนี้เป็นเป็นข้อสรุปของของเมื่อวานอาต่อไปวันนี้นะครับปุรีสมณีนาวาปัจฉาสมณีนาวามาถึงบทนี้ใน คับในบาลีบอกว่านาพิกเวบริวาสิเกนาพิกคุณาประกา ต, ป, ก ต, ตประกาศตัดตาพิกุโนปุรโตคันดับพังอ่าใช่ป่ะเดี๋ยวเด๋ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวอ่านผิดขอนะอนาพิกเวปริวาสิเกนาพิกคุณาประกาศตัดประกตัศเตนะพิกคุณาปุเรสมเนนะวาปัจฉามเนนาวากุลานิอุปสรรคกบิตับผานินะครับบอกว่าปริวาสิกภิกสุนี่ไม่พึงมีพระประกตศตาใช่ปะ่ะ เป็นสมณะไม่พึงเป็นหัวหน้านําเข้าไปสู่ตระกูลไม่ต้องมีไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่พึงเป็นหัวหน้าต้องมีประกตศตาเข้ามา อ, องค์หนึ่งเลยฮนะปริวาสิกาพิสุนะครับไม่พึงมีประกตศตาพิสุนําหน้าเข้าไปสู่สกูลหรือไม่พึงมีประกตศตาพิสุตามหลังเข้าไปสู่สตรสกุลนะครับเอาบอกตรงนี้ที่ดูอัตกระฐานะครับอัตกระ า, าตรงนี้ยาวเหลือเกินขเขียนไม่ไหว น, นะครับผมคง น, นะครับข้อว่าเบเรสมเนนวาปัจฉาสัมเนนนวาเนี่ในบาลีบอกว่าไม่พึงมีประกาศตาภิกสุนาไปข้างหน้าหรือตามไปข้างหลังเข้าไปสู่สกุลนะครับในอัจฉริยะจะมาแก้ว่าเบเรสัมเนนวาปัจฉาสมเนนาวาติยาติปวาริตัดเถนะนะครับปวาริตัดเถิปรวารปรวาริตัดฐานเน เอตเกพิขูเขตวาอาคัตาอาคัฉถาตินิมันติเตนะนะครับพันเตอสุกลางนามกุรังพิขูนิมันเตติเอถะตัทฐะคัตฉมาคัฉามาติเอวังสังวิทยะนะครับพิขูปุเรเปุเรสุเนนะวาปัชเฉปัชฉัสมเนนะวากตวานะคันตพังตรงนี้อธิปถาอธิบายบอกว่า ที่บอกว่าไม่พึงมีปกตาภิกษุนำหน้าหรือตามหลังเข้าไปสู่สกุลนั้นคืออย่างนี้คือภิกษุ ป, กปรกาศเปฏิวาสิกภิกษุนี่ได้รับนิมนต์นะครับได้รับนิมนต์จากพวกญาติก็ดีหรือจากคนปรนนานดีว่าเขานิมนต์ว่ า, อาขอท่านจงพาภิกษุจํานวนเท่านี้มานะครับสมมุติญาติญาติหรือคนคนปรนนาของของปกตาเอของปริวาสิกาภิกษุนิมนต์ไว้ว่าท่าน พาไปพาเพื่อนพิกษุด้วยกันจํานวนสักห้ารูปสิบรูปมามาทีนิมนต์มาทีนะครับอย่างนี้เมื่อรับนิมนต์อย่างนี้แล้วนะครับรับนิมนต์อย่างนี้แล้วก็มาจัดแจงนะครับมาจัดแจงคือมาบอกกับพิกษุมาจัดแจงอย่างนี้ว่าพันเตอสุกังนามักุลังภิกขุนิมันเตตินะครับอ่าท่านทั้งพันเตค่ะแต่ท่านผูชเจริญอะไรอ่ะ อาสุการ์อาสุการ์นามากุรางตระกูลนูน่ะเขานิมนภิกษุเขานิมนพระทั้งหลายเอทะท่านทั้งหลายจงมาตัทธะคัชชะมาเอ่คัชชมาคัชชะมาติคัชชะคัชชะมะคัชชมะเราทั้งหลายเอทะท่านทั้งหลายจงมาเราทั้งหลายจะไปในตระกูลนั้นกันอย่างนี้คือไปเป็นผู้จัดแจงไปจัดแจงนีมนพระเะเองเลยชักชวนกันเองเลยไปเราไปกันชวนประกตศตาไป นะครับชวนไปคือตัวเองรับนิมนต์มาแล้วก็มาจัดแจงซะเองเลยมานิมนต์พระมาบอกเพื่อนเพื่อนแล้วก็ชวนกันไปนะครับได้ไดเดี๋ยวเดี๋ยวครับยังไม่จบยังไม่จบพิกขูปุเรสมนนวาปัจฉาสมนีนวากัตตวานะคันตบพังไม่พึงกระทำไม่พึงกระทำประกตาตาภิกสุนะให้เป็นให้เป็นผู้นำหน้าไปหรือให้เป็นผู้ตามหลังไปด้วยวิธีอย่างนี้ นะครับอย่างนี้คือคือคือหมายถึงว่ามาจัดแจงเองนี่คือมาจัดแจงเอาสมมุติมาจัดแจงเอาพระเถระองค์หนึ่งเอาพระน้อยด้วยนะครับเอาพระเถระพระเถระก็เลยนําตัวเองไปตัวเองก็เลยไปในที่นิมนต์นั้นด้วยสมมุติอ่าสมมุติอย่างนี้สมมุติผมเออสมมติท่านรถสมมติท่านรดเป็นบริวารสิกภิกษุท่านรถมีโยมโยมโยมญาติมานิมนต์ท่านรถหรือภาวนาของท่านรถจะแล้วก็แตมานิมนต์ ท่านคะช่วยนิมนต์พระไปที่บ้านาที่บ้านต้องการพระจํานวนเท่านี้เท่านี้อยากจะทํา บ, บุญกันละอยากจะถวายทานท่านรถก็มาถึงมาชวนผมมาชวนท่านอาลีชนใครๆๆๆใครใครไป ค, ครับนิมนต์สิกรูปครับนิมนต์เก้ารูปครับนิมนต์หน่อยนิมนต์หน่อยแล้วก็ไปกันครับผมก็เลยเป็นหัวหน้านําไปผมก็เลยเป็นเป็นปุเรย์สะนำท่านรถก็เลยตามหลังผมอย่างนี้ไม่ได้นะครับแล้วอีกอีกว่าการหนึ่ง ท่านรถ ก, ก็มานิมนต์แล้วเลยนิมนต์เฉพาะองค์นี้อ่อนพรรษากว่านิมนต์ท่านรถ ก, ก็เลยเป็นผู้นํำไปมีประกตศตาภิสุตามไปข้างหลังอย่างนี้นะครับทํา อ, อย่างนี้ไม่ได้นะครับปริวา ส, สิกะภิกษุมาจัดแจงมาจัดแจงจัดพระไปในงานในงานที่ใ น, ใ น, ใ น, ในที่เขานิมนต์อย่างนี้ไม่ได้นะครับที่บอกว่าห้ามปกตศตาภิกสุไปข้างหน้าหรือตามไปข้างหลังคือการมา จ, จัดแจงการนิมนต์อย่างนี้นะครับข้อนี้หมายเอาว่า ไม่ให้มาจัดแจงไม่ให้มาจัดแจงครับไม่ให้มาจัดแจงไม่ได้หมายเอาว่าตอนขนาดกาลังเดินไปไม่ใช่ครับไม่ให้มาจัดแจงนี่นีตรงนี้คือไม่พึงทําการจัดแจงอย่างนี้มาจัดแจงอย่างนี้ทําอย่างนี้ไม่ได้เพราะหน้าที่ต่างๆในการจัดกฤฤิตจมิลในการแจกพัดอย่างนี้เป็นของปกตศตรีภิกษุ <S <s เขาทํากันหน้าที่เหล่านี้ต้องเว้นเสียหมายความอย่างนั้นถึงตัวเองเคยเป็นพัตตุเทศ เป็นผู้แจกพัดแต่ในขณะที่ประพฤติวัดอยู่ต้องเว้นหน้าที่เหล่านี้เสียนะครับเว้นทําไม่ได้หน้าที่ของสงฆ์กิจการงานหน้าที่ในสงฆ์อย่างนี้ถึงตัวเองจะเคยรับอยู่เป็นเจ้าหน้าที่อยู่แต่เวลาประพฤติวัดทําไม่ได้แล้วหรือตัวเองยังไม่เคยเป็นพระมรุเทศไม่เคยรับหน้าที่เหล่านี้เป็นบริวารสิกขาภิกษุประพฤติวัดอยู่จะมาทําหน้าที่อย่างนี้ไม่ได้ถึงเขาจะมานิมนลกับเรานะครับเขามาดิม์กับเรา ท่านค้าในมณฑ์พลาจสักเ้ารูปเธอนะไปอย่างนี้พอท่านรถรับในมณฑ์แล้วก็เลยมาชวนชวนเพื่อนกันมา จ, จ, จัดจัดการหมายความอย่างนั้นมาจัดแจงแล้วก็พากันไปจะมีภิกษุเถระกว่าไปข้างหน้าก็ดีหรือมีเฉพาะองค์อ่อนกว่าไปาตามไปข้างหลังก็ดีไม่ได้ทั้งสองอย่างนะครับในที่นี้คือข้อความของในบาลีว่าไม่พึงมีปกตศตาภิกษุเป็นหัวหน้านําไปเข้าไปสู่ตระกูลที่เขานิมนต์หรือ ไม่พึงเป็นหัวหน้าของปกตศตาพิสุไปสู่ตรกูลคือไปในที่นิมนต์นะครับไปในที่นิมนต์ทีนี้ถ้าเกิดมีคนนิมนต์จะทํำยังไงนะในรัฐาจะบอกอีกถ้าเกิดท่านลถมีญาติมานิมนต์หรือมีคนปรนนาของท่านลถมานิมนต์ว่าโอยดิฉันต้องการหรือผมต้องการพระทศก้าวรูปเถอะมานิมนต์อย่างเนี้ยท่านลถก็เฉยรับไว้รับไว้ด้วยกันเฉยก็ดีหรือด้วยกันรับปากก็ดีครับแล้วมามาเข้ามาสู่สงฆ์แล้วต้องทํำยังไงถึงจะไม่ผิดตรงนี้ นะครับถึงจะทำได้ทำยังไงต้องมาถึงแล้วก็พูดว่ า, าพันเตอสุกัสมิงนามาคาเมมนุษสาพิขูนางอาคมนานังคัดอิจฉันตินะครับถ้าแต่ท่านผู้เจริญนะครับตะ ก, กูลเอาแปลเป็นภาษาไทยเลยนะไม่ต้องแปลตามสัพปรีไม่ต้องแปลตามท่านตะ ก, กูลนู้นนะครับตเอมนุษย์ในเอกคนในตะ ก, กูลนูน้นหรือคนในบ้านนูน้นเขาเขาต้องการ ต้องการพิกษุต้องการภิกษุไปบ้านเขาเพื่อทำเอ๋ถวายทั้งถวายทานถวายอะไรก็แล้วแต่เขาต้องการนะครับถ้าถ้าถ้าท่านทั้งหลายนะครับเอ๋สาธุวัตสสาะเจเตสังสรรหังกรยญาธาถ้าท่านทั้งหลายจะทําพึงทําความสงเคราะห์แก่พวกคนเหล่านั้นะแกตระกูลเหล่านั้นก็จะเป็นการดีนะครับต้องพูดอย่างนี้ไม่ใช่เราเป็นผู้จัดการ แต่สงเราไปบอกกับสงแล้วสงเขาจะจัดการเองเพียงแต่เราบอกว่าที่นู่นน่ะเขานิมนต์นะครับนะครับเขานิมนต์พระถ้าพระทั้งหลายจะทําการส่งเคาะเขาข้อนี้ก็ดีนะครับไม่ได้ไม่ได้เสียหายาไม่ได้ครับไม่ได้เลยไม่ได้เราต้องไปบอกไม่ไม่ใช่ไปสั่งสงเพียงแต่ไปบอกข่าวให้รู้บอกว่าที่นู่นเขานิมนต์นะครับถ้าพระสงฆ์จะสงเคาะเขาก็จะดี บอกอย่างนี้ครับฉันประธารฉันเพนอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่นิมนต์ตอนไหนก็นแล้วนิมนต์ล้วกัน<ช>ตระ ก, กูลไอ้ บ, บ้านนั้นเขาต้องการพระเขาจะนิมนต์ในตอนไหนตอนวินบ่าตอนอยู่ว่าตอนอะไรก็แล้วแต่แต่ตอนประพฤติวัดอยู่หมายถึงตอนนั้นต้องประพฤติวัดอยู่ด้วยนะครับไม่ใช่เก็บวัดประพฤติวัดอยู่เราเราจะรับนิมนต์เขาเราต้องมาบอกกับสงฆ์ไม่ใช่เราเป็นผู้มาจัดแจงเองนะครับไม่ไม่ใช่เราเป็นผู้มาจัดพระเอง ต้องมาบอกกับสงฆ์แล้วสงฆ์เขาจะไปหรือจัดพระหรือไม่จัดไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของเราแล้วนะครับไม่เกี่ยวกับเราเกิดสงฆ์เราพูดอย่างนั้นแล้วเขาไม่จัดเอาไปแล้วครับไม่เป็นไรก็เรารับไว้แล้วอ่ะเราก็ต้องไม่บอกสิตอนนี้พระไม่มีพระมาไม่ได้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงสงฆ์ต้องถามอีกว่าสงฆ์จะสงฆ์ขอมั้ยอย่างนี้อยู่ไม่ไม่ต้องถามขอรับสงฆ์เขาก็ต้องบอกอ่ะดีครับเดี๋ยวผมจัดให้ถ้าไม่ไม่ใช่คนใบ้านี่นะ ฟังแล้วก็เออเป็นอันฟังแล้วก็ไปต่างคนไม่มีเขไม่มีอย่างนั้นไม่มีซื้อบือขนาดนั้นโอ้ยแบบพระไม่ค่อยชอบเพราะูดเท่าไรเนี่ยครับไม่ใช่ไอ้ก็ตามปกติของสงของของพระพระดุษฎีจะทําไงท่านวะ้องถามไม่ใช่เพราะมาบอกแล้วก็ไม่ซู้อไม่ชี้ อ, อ, อ, อ, อย่างนี้ก็ต้องถูกต่อยปากแล้วครับไม่ใช่ตามปกติของพระพระดุษฎีมีคนมาบอกข่าวการในมณฑ์ต้องทักไซสแล้วครับใช่ไหมบ้านอยู่ตรงไหนนะครับ บ้านอยู่ตรงไหนไกลยไหมจะได้จัดพระไปถูกไม่ใช่ไกลเลยจัดหลงตาแก่ๆเดินไม่ไหวไปไม่ใช่อย่างนี้พระวัดดุเทศต้องรู้ลําดับของพระที่จะถึงเช็คฮะว่าวันนี้ถึงคิวของใครแล้วแล้วสมควรจัดองค์นี้ไปไม้ไกลไหมลําบากไม้หนทางจะเป็นการทรมานพระเถระไหมอะไรไหมต้องรู้เอกสิ่งีย่อยเหล่านี้ด้วยครับหมายถึงอย่างนั้นเพราะนั้นท่านต้องสอบถามเองพระวัดดุเทศท่านจะสอบถามเอออยู่ทางไหน ไปทิศไหนซ้ายขวาของเส้นทางอะไรสอบถามบ้านเสร็จแล้วจึงอ่างั้นเดี๋ยวผมจัดการให้ครับแล้วนในกรณีนี้เนี่ยมาเชื่อมโยงกับที่ตั้งหัวข้อไว้ว่าอ่าไม่พึงนําหน้าไม่พึงตามหลังในกรณีนี้ถ้าเกิดภาพะวะไม่พอพระตูเทศให้เราไปด้วยอ๋อถ้าพระไม่พอเดี๋ยวเออถ้าพระไม่พอนะครับพระไม่พอพระพระตูเทศจะจัดเราไปเราก็ต้องเป็นอยู่อาสนะสุดท้ายถึงเราจะเป็นเถระในที่นั้นก็จริงแต่ในขณะเดินทางเหมือนกัน S <S อะไรครับในขณะระหว่างที่ <วะ S 3> <ๆ S 1> กําลังเดินไป <S 2> <S 2> <S 2> เดินไปบ้านโยม อ, อ๋อเดินหน้าก็ได้ก็ห่างติดสองศอกนั่นไงก็ผ่านมาแล้ววานนี้ <S 2> <S 2> ออเอ อ, เ อ, อมันตรงนั้นผ่านมาแล้วถ้าเกิดมัเดินอยู่ตรงกลางไม่ได้ถ้าเกิดเป็นพาทที่ไม่ใช่เสถร ะ, ะแล้วก็ไม่ใช่อ่อนสุดอยู่ระหว่างกลางๆลาอย่างนีไม่ไม่ใช่อ่อนสุดไม่ใช่นีิสุดไปข้างหลังก็ได้ไม่เป็นไร ไอที่บอกว่าไม่ให้ไปข้างหน้าไม่ให้ไปข้างหลังในที่นี้เข้าไปสู่สกุลคือการจัดแจงใช่ไหมครับไม่ได้เกี่ยวกับการเดินตรงนี้ไม่เกี่ยวกันแล้วเพราะการเดินผ่านมาแล้ววิธีของการเดินอาจารย์แนะนำนี่ถึงการมาจัดแจงมาจัดแจงนิมนต์องค์นู้นองค์นี้นิมนต์พวกอ่อนกว่าเราก็เป็นเถรละนิมนต์องค์แกกว่าเราก็เลยเป็นข้างหลังข้างหลังขององค์นั้นใช่ไหมครับถึงจะเป็นองค์ที่สององค์ที่สามก็ยังมีองค์ข้างหน้าหมายความอย่างนี้มาจัดแจงอย่างนี้ในในที่นี้หมายถึง ห้ามเป็นเจ้าหน้าที่แล้วกันเอาตรงนี้เอาอสรุป ง, ง่ายๆเลยห้ามเป็นเจ้าหน้าที่มาจัดแจงการรีมวลการแจกพัดตรงนี้ครับไม่เกี่ยวกับการเดินการอะไรการเดินการไะไรผ่านมาใช่ไหมครับการเดินถ้าจะอยากจะเดินไปก่อนได้ไม่เป็นไรอนุวาจะเดินไปก่อนก็ได้แต่ต้องคนละส่วนกันอยากจะเดินไปข้างหลังก็ได้แต่คนละส่วนกันท่านบอกแล้วว่าอ่าไปโดยเอกเทศไปไปคนละส่วนไปตัวใครตัวมันหมายความอย่างนั้นปรกตศตาท่านก็ไปเราก็ไปแล้ว หากันสิบสองศอกแล้วจะใครจะอ่อนจาแก่ตรงนั้นไม่เป็นประมาณแล้วแล้วอย่างที่อาจารย์เคยพูดว่าให้เดินไปแบบไม่ได้ตามล่องเดียวกันแต่ให้ออ้อยเลี้ยงมาหน่อยนี่ที่ผ่านมาแล้วไงที่รับพัดไงใช่ไหมในที่รับพัดในที่ที่ไม่มีใครนิมนต์ที่พัดที่เขาอาหารที่เขาจัดไว้ถวายประจําเลยไอ้สมัยนี้เรียกว่าขันใหญ่บินนบานขันใหญ่ที่ของพระราชาเป็นต้นเห็มไหมขันใหญ่วันหนึ่งถวายสองร้อยสามร้อยองค์ ไปอย่างนั้นไปต้องอย่ายืนในแถวลําดับเวลาไปห่างออกมานิดหนึ่งแล้วยืนรับแล้วออกไปซะแล้วไม่ต้องเดินตามใครไปไม่ไม่ต้องอย่างนั้นห่างออกมานิดหนึ่งแต่อยู่ในหัตถบาทมันคนละเรื่องมันคนละเรื่องกันเลยมันคนไม่ไม่มีใครนิมนต์อันนั้นต้องไม่มีใครนิมนต์อันนั้นคืออาหารที่เขาใครมาก็รับได้ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าพระจัดไปแล้วถึงจะรับได้ไม่ใช่อย่างนั้นอาหารที่เขาตั้งไว้สําหรับพระทั่วๆวไปเลยไม่ได้เกี่ยวกับว่า่พระพระทุเทศจัดไปอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ พระดุเทศจัดไปนี่อย่างนี้อย่างนี้ไม่พึงมีข้างหน้าข้างหลังอย่างนี้นี่พระดุเทศจัดนะครับเป็นหน้าที่ของพระพระดุษฎีเพราะฉะนั้นไอ้ปฏิวัติการพิศุ ค, คือห้ามมาเป็นเจ้าหน้าทีพ่พระพระดุเทศนั่นเองนะครับข้างหน้าข้างหลังในที่นี้นะครับฟังรู้แล้วนะครับอาจารย์คล้ายๆกับว่าถ้าถ้าไปด้วยกันกับสงฆ์นี่มีสงไปด้วยนี่อย่างไปรับป่าเรื่องอะไรก็ตามท่านจะไม่ค่อยเก็บวัดเลยครับฟังรู้แล้วนะครับ เด <c oughs> ี๋ยวเดีบบ๋ยว เ, เดี๋ยวจะถึงครับไอที่เก็วัดหรือไม่เก็บวัดเดี๋ยวเด๋ยวจะถึงอีกเดี๋ยวมีตรงนี้ยังมิยังยังไม่มีเรื่องเกบวัดยังไม่มีไอไอมีมาหน่อยเดี๋ยวไอที่อยากอยากได้พระจํนำนาพรรษาต้องยึดกุฏิไว้ก่อนนะครับมีตรวนี้เริ่มมาหน่อ ย, อยลแล้วแล้วเดี๋ยวต่อไปข้างหลังมีครับมันจะค่อยๆเริ่มไปเรื่อยๆยังไม่มีเกบวัดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าปริวาสิกะพิสุหรือพระผู้ประพฤติวัดอยู่ออรับมีคนนิมนต์ นิมนต์แล้วเราต้องมาแจ้งกับสงฆ์หมายความอย่างนั้นอย่ามาจัดการเองตรงนี้สรุปแค่นั้นนะครับไม่มีไม่พึงทาประกาศตาภิกษุหรือเอไปข้างหน้าหรือตามหลังเข้าไปสู่สกุลในที่นี้คือในที่นิมนต์ในที่นิมนต์นะครับตรงนี้ต่อไปนะครับอตรงนี้เนื้อความหมดแล้วนะครับเอปัดเอปรเรสต์สุเเนาวาปัดชาสมนเปนาวาตรงนี้ต้องหมายถึงหน้าที่นะครับไม่พึงเป็นผู้ไม่พึงเป็นเจ้าหน้าที่จัดแจงพระสงฆ์ ไปที่นิมนต์อ่าต่อไปนะครับต่อไปตรงนี้เา็าเอ๋ในในบาลีบอกว่าไม่พึงนะอารัญญีกังคังสมาธิตับพังไม่พึงสมาทานอารัญญีกัทธุดงไม่พึงสมาทานทุดงเกี่ยวกับการอยู่ป่าเป็นวัดปริวาติิกาพิสูุน์นี่ไม่พึงสมาทานการอยู่ป่าเป็นวัดแปลกทำไมห้ามก็อยู่ป่าอยู่ไม่ได้เหรอฮะ อาหน่อยพระธรรมสิกับภิกษุทําไมห้ามอยู่ป่าไม่เห็นหน้าหามเลยเนาะใช่ไหมเอ อ, จ อ, เ, อ, อเจออยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยทาไมอ่ะก็ต้องออกมาจากป่าอ้าวพระตุด๊ดงเพนั้นก็ต้องขับไปไม่ใช่อยู่ป่าคือคือเห็นแสงแดดไม่ได้ออกมาออกมาจากโคนต้นไม้ไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนี่ครับใช่ป่ะหรือหรือหรือท่าสมาทานอยู่ป่าคือออกมาโดนกลางแจ้งไม่ได้เลย อ้าวได้งั้นก็ออกมาบอกได้เออก็อไม่ขัดกับทีดองข้อนี้ดิ อ, อ๋ อ, อด้ไครับคืออาจจะคิดว่าคิดว่ากลัว ก, กลัวคนอื่นเขาจะรู้อะไรอย่างนี้มครับฮะเอออยู่ปเป็นวั้อเ่อะเจะมาทานคงจะขออาจารย์เคยเรามะหว่างไงไม่มีเพืนเพื่อนครับถ้าเกิดมีเพื่อน เออเกิดเกิดมีพระปะกะตะไอวานนี้ก็มีไหมอยู่คนไม้สมาทานทุดองอยู่คนไม้หรืออยู่กลางแจกอยู่แสดงว่าอยู่ป่าก็มีถ้าเกิดมีในที่เหย่านั้นน่ะ่่อย่เยอะครับเวลานอนมันมันจะไม่ได้มุลมลั า, าเดียวกั น, นเออ <Okay. S 1> ก็สมาทานอยู่ป่าไงก็ไม่มีหลังคาเออก็ยิ่งง่ายใหญ่น่าจะดีฝนไม่ตกแต่ทาไมห้ามหน้าแปลกบาลีว่าแค่นี้เองครับ ไม่พึงสมาทานอารัญยิกาทูดงเออนี่ข้อหนึ่งเดี๋ยวไม่พึงสมาทานบินน บ, บาติกะทุดงเออบินนบัติก็ท้งธมาทานบินน บ, บาตเป็นวัดก็ห้ามอีกความจึงมันน่าจะเป็นธรรมน่าจะขัดเก้ากิเลสมากกว่าปกติใช่ไหครับเออมันน่าแปลก <laughs>